4.1 การเกิดปัญญา1เมื่อรู้สภาวะในวงเล็บทางอายตนะต่างๆแล้วเกิดความยินดีนร้ายก็ให้รู้ทันความยินดีินร้ายจะดับเราจะรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางปัญญาจะเกิดขึ้นเช่นพระโสดาบันรู้สภาวะธรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วไม่ปฏิเสธใจก็ไม่ทุกข์เพราะเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา 2. เมื่อเกิดสติตัวจริงก็จะมีสัมมาสมาธิและเกิดปัญญาเมื่อทำไปมากเข้าจนมากพอในวงเล็บเห็นซ้าแล้วซ้าอีกจะเห็นสภาวะธรรมในวงเล็บวิเศษลักษณะขีดลักษณะเฉพาะของกิเลสแต่ละตัวและเมื่อเห็นชัดเจนทุกตัวจึงจะเห็นลักษณะร่วมในวงเล็บสามั ญ, ญลักษณะว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้ากำลังของวิปัสสนาญาณแก่กล้าพอก็จะเกิดความรู้รวบยอด ในวงเล็บปัญญาโดยจิตจะเข้าอัปนาสมาธิเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นมาตัดสินเองในชั่วขณะจิตพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเห็นว่าขันห้าในวงเล็บกายขีดใจไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนในที่ใดพระอนาคามีไม่มีกามรมาคะและปฏิคะในวงเล็บไม่ยึดถือกายพระอรหันต์เห็นจิตแจ่มแจ้งว่ามันเป็นทุกข์ล้วนก็ปล่อยวางไม่ยึดถือจิต 3. เราเรียนจนเห็นว่าทําอะไรมันไม่ได้จนปล่อยวางจึงพ้นทุกข์ได้เพราะปล่อยวางไม่ใช่เข้าไปจัดการมันได้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์ให้กระทบไปตามธรรมดากระทบแล้วอย่าไปตรึงความรู้สึกเอาไว้อย่าไปกำหนดเอาไว้ให้รู้สึกตามธรรมดาแล้วมีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ผุดขึ้นล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับทั้งสิ้น ภูมิความรู้ของพระโสดาบันอยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ได้อยู่ที่บังคับจิตจนไม่มีกิเลสนะแต่อยู่ตรงที่ว่าจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับรูปทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเช่นรูปยืนเกิดแล้วก็ดับรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปพองรูปยุบเกิดแล้วก็ดับ รูปหายใจเข้ารูปหายใจออกเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ไปเพ่งเอาไม่ใช่ไปเพ่งเพื่อไม่ให้มีกิเลสนะเข้าใจผิดแล้วกิเลสเป็นธรรมะเราอย่าปฏิเสธกิเลสกิเลสเป็นธรรมะชื่ออกุศลธรรมกุศลเป็นธรรมะชื่อกุศลธรรมเสมอภาคกันถ้าเรารักกุศลเกลียดอกุศลก็ยังไม่จบหรอกได้แต่เป็นคนดีเป็นเทวดาเป็นพรหม ฉะนั้นเราฝึกจนเกิดสติอัตโนมัติขึ้นเห็นตลอดเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหววันหนึ่งจะเห็นขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบันถ้าจากนั้นดูกายดูใจต่อไปอีกจนมันปล่อยวางกายได้ได้พระอนาคามีเมื่อมันปล่อยวางความยึดถือจิตก็หมดทุระทางพระพุทธศาสนาวางขันได้หมดแล้ว 4. พระอรหันต์คือคนที่รู้ความจริงของธรรมชาติธรรมดา แล้วคล้อยตามความจริงนั้นไม่พยายามบังคับให้เที่ยงให้สุขรู้แล้วคืนให้โลกการสลัดคืนกายใจให้โลกเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดปฏินิสักะพอพ้นจากตนก็หมดภาระไม่ดิ้นรนมีอิสระภาพมีความสุขล้วนๆมีความสุขเพราะพ้นจากขันไม่ใช่ทำขันให้เป็นสุขพวกเราชอบทำขันให้เป็นสุขชอบบังคับกายบังคับใจก็เพื่อให้ขันเป็นสุขนั่นแหละ รวมถึงการตอบสนองกิเลสหรือหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็เพราะอยากให้ขันเป็นสุขเช่นเดียวกัน